การปฏิบัติเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีเพื่อให้เราได้รับผลแห่งการปฏิบัติที่แท้จริงลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหายใจเข้ายาวๆเมื่อเราหายใจเข้ายาว จะได้รับออกซิเจนก็ไปก็อกเลือดของเราอดกั้นลมหายใจขณะที่อดกั้นลมหายใจนั้นพลังที่มีอยู่ก็จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายหายใจออกขับเอาสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่ ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บให้มันออกไป uh huh. หายใจเข้าเปิดตัวเราเหมือนกับเครื่องรับรับพลังเข้าไปพลังนี้เกิดขึ้นจากตัวเราเองเปิดเครื่องรับและที่จริงในตัวเราก็มีพลังอยู่บางท่านก็มีพลังเหลือ ในจุดพลังในือศูนย์พลังต่างๆแต่ว่ามันไม่สมดุลหรือที่เรียกว่ามันกระจุกคนไทยโบราณเรียกว่าเลือดลมมันเดินไม่สะดวกพลังมันก็เลยไม่กระจายไปทั่ว ร, ร่างกายทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราปฏิบัติ นั่งในท่าที่ตรงไม่ว่านั่งคัดสมารหรือนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งในท่าเราสนัสนดพยายามนั่งตัวให้ตรงเป็นสําคัญหายใจเข้ายาวๆรับพลังจากธรรมชาติเสริมเข้าไปและพลังบุญที่เรามีอยู่ ตอบกับผู้ที่มีอภิน ญ, ญาซึ่งท่านได้มาเช่นชมในคุณความดีของเราเห็นเราได้รับทุกเวทนาท่านก็จะแผ่พลังมาให้มาช่วยให้เราได้มีพลังเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหรือเพื่อให้เรามีความสุขความสบายสมกับที่เราเป็นคนมีใจบุญ เมื่อรรับพลังเหล่านี้เข้าไปในตัวเราพลังก็จะแผ่กระจายไปจุดต่างๆเราใช้จิตของเรานี้แหละเป็นตัวรับและเป็นตัวส่งเข้าไปสู่ร่างกายของเราเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายจุดใดที่มีปัญหาก็อธิษฐานจิตหรือส่งพลังตรงไปตรงจุดนั้นเพื่อไปรักษา คนเราเหมือนแบตเตอรีแ่แบตเตอรี่ของเรามันอ่อนเพราะเราไม่รู้จักรักษาเราก็อาศัยแบตเตอรี่อื่นที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีซึ่งมีไฟเต็มมาช่วยจำการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันบางครั้งเราไม่สามารถจะเปิดตัวเองเป็นเครื่องรับได้อย่างเต็มที่หรือถูกต้อง พลังของเราไม่เพียงพอก็จําเป็นต้องอาศัยพลังของผู้ที่ท่านปฏิบัติทางรักษาตัวของท่านให้มีพลังตลอดมาช่วยจำมาช่วยส่งพลังให้มากระตุ้นให้พลังของเรานี้ได้มีกําลังพอที่จะช่วยให้เรา หาจากโกครคภัยไข้เจ็บหรือให้เราเกิดสีติเกิดความสุขการปฏิบัติเพื่อให้เกิดพลังรังสีธรรมะหรือให้ธรรมีธรรมะปกป้องคุ้มครองเราก็คือการที่เรารู้จักปฏิบัติ ด, ด้วยตัวของเราเองด้วยแต่รู้ว่าหากตัวเราเองนี้ มีพลังไม่พอก็อาศัยพลังจากผู้อื่นที่มีพลังมาช่วยกระตุน้นมาช่วยเสริมให้พลังของเราสูงยิ่งขึ้นเพื่อจะเอาไปใช้ให้เกิดสีติเกิดความสุขการที่ช่วยให้มีพลังนั้น เมื่อเรามีพลังเลือดลมของเรามีพลังนั่งมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยที่เรานั่งปวดเมื่อยเพรอเราไปนั่งทับเส้นเลือดเมื่อเส้นเลือดถูกทับเลือดเดินไปสู่ยังจุดที่เราถูกทับก็คือส่วนใดเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ส่วนนั้นก็เกิดจะจะเกิดการเน็ตเป็นเน็ตหรือปวดขึ้นมา แต่ถ้าเราเข้าใจเราปฏิบัติตัวเราเองเสริมพลังเสมอคือรับออกซิเจนเข้าไปด้วยการหายใจยาวๆอดกลั้นลมหายใจให้พลังกระจายไปไะหายใจออกขับสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่จะก่อให้เกิดโรคภยัยไข้เจ็บไปออกไปเลือดของเราก็จะเป็นเลือดที่มีพลังถึงแม้เราจะนั่งทับ เลือดก็สามารถผ่านไปได้กระจายไปได้ไม่มีปัญหาแต่เรานั่งปวดนั่งเป็นเน็บก็เพราะเลือดของเราไม่มีพลังนั่นเองที่เราไม่ได้ปฏิบัติแบบต่อเนื่องฉะนั้นหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงอั้มเตือนเสมอว่าการที่จะปฏิบัติได้ผล น, นั้นต้อง ปฏิบัติให้ครบกระบวนการหรือตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้คือหลักปฏิบัติที่สำคัญยิ่งก็คือศีลสมาธิปัญญาขณะนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมมภาวนาเรามีศีลอยู่แล้ว เพราะว่าขณะที่เรานั่งภาวนาป่าของเราก็ไม่ได้ไปพูดไม่เป็นด่ดาไปด่าไปว่าใครใกายของเราก็ไม่ได้ไปข่าไปเบียดเบียนไปรักขโมยหรือไปไประพฤติอย่างไรอาชีพเราก็ไม่ได้จะทำอะไรให้ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือ ว, ว่าเรามีสัมมาวายาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะขณะที่เราภาวนาอยู่นี้ แต่ว่าเป็นการบําเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาไปด้วยถือว่าเป็นยอดของบุญเป็นบุญที่สูงสุดขณะที่เราภาวนานี่เองศีลมันเกิดขึ้นการที่พยายามนั่งกำหนดรู้ว่าเราเนี่ยมีปัญหาอะไร เราถูกกิเลสตัวไหนที่ทำให้เราทุกข์หรือมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรพยายามที่จะให้มันหายไปพยายามกําจัดมันและไม่ให้เหตุปัจจัยหรือไม่ให้โรคใหม่โรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นมาการที่พยายามไม่ให้โรคใหม่โรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นมาก็คือ หาเหตุปัจจัยหรือทาพูดคิดในสิ่งที่ดีที่เรียกเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีและทําแบบต่อเนื่องดังที่อธิบายมาแล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีโรคภัยใก้เจ็บก็เหมือนกับยาพิษกิเลสก็เรียกสิ่งไม่ดีโรคภัยใกล้เจ็บก็เรียกเป็นสิ่งที่ไม่ดี เหมือนกับยาพิษส่วนสิ่งที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุจริตเป็นบารมีเหมือนกับน้ําบริสุทธิ์ขณะที่เรามาบําเพา็ญภาวนานี่ก็หมายถึงว่าเรามาเพิ่มปริมาณน้ําบริสุทธิ์เพื่อจะสลายทิพยตกค้างหรือสลายสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นจากกิเลส ข, ของเรา ที่เราได้ทํามาด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าเราเพิ่มน้ําบริสุทธิ์หรือเพิ่มบุญเพิ่มบารมีเพิ่มสิ่งที่ดีเข้าไปปริมาณน้ํามากน้ําบริสุทธิ์ที่มากยาพิดก็ไม่สามารถที่จะทําให้เป็นอันตรายได้ แต่ให้ตรงกันข้ามเราไม่ได้เพิ่มน้ำบริสุทธิ์แต่เพิ่มบาปเพิ่มอกุศลเพิ่มทุจริตก็เป็นการเพิ่มยาพิษขึ้นมากกันเองเราจะต้องทุกยาตำบาต ท, ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บบางเกิดจากการเดียดเบียนของเจ้ากรรมนายเวรบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาเราไม่มีพลังธรรมะ หรือไม่มีพลังที่เกิดขึ้นจากบุญจากกุศลให้มาช่วยเราเราก็ทุกข์เราก็เกิดความลำบากเกิดปัญหาต่างๆอันนี้เป็นหลักของสัมมาเวมะและพร้อมกับ น, นั่นก็ใช้หลักของสัมมาสติกําชับเข้าไปอีกว่า อาตาปีสัมปชานุสติมาวินายโลเกปิชาโทมานสังสัมปชานรู้ว่าอะไรที่ยังเป็นปัญหาอะไรคือสิ่งที่เป็นโรคภัยหรือที่มันเจยดเบียนให้เราได้รับความทุกข์สติมาระวังอย่าไปให้โอกาสมันแผลงฤบ อย่าไปให้อาหารมันอย่าปรัรุงแต่งเสริมสร้างให้มันมีพลังระวังเสมอคือมีสติมีความไม่ประมาทอยู่เสมอไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดหรือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็มีสติมีความไม่ประม า, มมาะทให้สิ่งที่ เกิดขึ้นนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเมื่อมันไม่มีโอกาสไม่เสริมให้มันมีพลังหรือไม่ให้อาหารแก่มันมันก็เป็นอาตาปีคือถูกบีบให้ร้อนถูกเผาให้ร้อนและมันก็จะแห้งกรอบตายไป ก็หมายก็ว่าถ้าเราทำเป็นนิสัยจากการที่เรามีนิสัยที่ไม่ดีเคยโกรธโกรธง่ายมือไวปากไวต่อมาเมื่อเรารู้ว่าอันนี้เป็นนิสัยไม่ดีเป็นกิเลสเป็นตัวร้ายเป็นบาปเราควบคุมด้วยความไม่ประมาทมีสติระวังเสมอจะทำจะพูดจะคิดจะเดิน ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติไม่ประมาณเมื่อมันไม่มีโอกาสไม่มีอาหารไม่ได้รงแต่งไม่ได้ไปเสริมต่อเพิ่มกำลังให้มันมันก็ตายไปอันนี้เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานและยิ่งกว่านี้ที่ว่าวินายเยรเกอภิชาโทมานสังคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี้ย เมื่อไปสัมผัสหรือไปดูด้วยตาฟังด้วยหูดมกลิ่นดวยจมมกลิ้นลึกด้ดยลิ้นสัมผัสด้วยกายคิดโดยใจถ้าไปปรุงแต่งไปเสริมต่อว่านั้นเป็นใครทำไมอะไรทำหนองนี้สืบสาว ติดเรื่องต่อก็ทําให้เกิดความรักความชังขึ้นมาแต่ถ้าเราฟังก็ปล่อยไปเห็นก็ปล่อยไปไม่ปรุงแต่งให้เกิดความรักความชังให้เห็นว่าคนเราทุกคนเนี้ยมันก็มีสภาวะเหมือนกันคือประกอบด้วยขันห้าคือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบด้วยธาตุคือดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณ คนคนเดียวกันนั้นจะทำให้เป็นคนที่รักเราก็ได้จะเป็นคนทําให้เป็นคนที่ชังเราก็ได้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยก็คือช่วยเหลือเขาพูดโดยคำไพยราะอ่อนหวานไม่แสดงอาการดูถูกเยียดยามคนคนนั้นก็กลายเป็นคนที่รัก แต่ตรงกันข้ามถ้าพูดไกคำหยาบคายดูถูกเหยียบยา่าไม่เคยช่วยเหลือไม่ให้เกียดตเขาเขาก็กลายเป็นศัตรูฉะนั้นติ่พุทธเจ้าตจาสว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยังกินจิตสมุทิยธรรมังสัพพันตังนนโรธาธรรมังอันนี้เป็นธรรมะที่มีความสำคัญเอาไปใช้ได้กับทุกอย่างทุกเรื่อง ในว่าพิจารณาหเห็นความเป็นจริงของตัวเราที่ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรมันเกิดก็มีหลักที่อธิบายไว้ชัดเจนในพุทธเจ้าที่เรียกว่าปฏิจสมปบาทเพราะเราไม่รู้อวิชาปัจยาสังขารเมื่อไม่รู้ก็ปรุงแต่งอยากอยากจะเกิดมาอีกหรือถ้าว่าไปเพราะความรักความชัง ที่ยังมีอวิชชาเพราะความไม่รู้เนี่ยก็ทําให้เราต้องเกิดมาเมื่อมีอวิชชามีสังขารมีวิญญาณวิญญาณก็คือมีวิญญาณปฏิสนธิเมื่อมีวิญญาณปฏิสนธิแล้วก็มีนามมีรูปคือมีกายก็มีจิตเมื่อมีนามรูปก็มีอายตนะหกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีการสัมผัสตาดูหูฟังจมูกดนเปลี่นลิ้นลิ้มรสกายทกต้องสัมผัสใจคิดเมื่อมีผสัสสะมีสัมผสัสตาดูมันก็เกิดเวทนาความรู้สึกเข้าไปดูคนที่รักต่อการเกิดการยึดว่าอันนี้คนรักเรานะใครอย่ามาแตะต้อง ถ้าไปดูคนที่ชังก็อยากจะทำร้ายเราคนนี้ทำให้เราได้รับความทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนจะต้องจัดการมันเนี่ยพัสสะก็ทำให้เกิดเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาถ้าเห็นคนที่ไม่รู้จักกันมันก็เฉยเฉยเป็นอัุุขมวิตอทุขมาสุขเวทนาคือไม่ทุกขไม่สุขเมื่อมีเวทนา ก็คือถ้าเห็นคนที่เป็นที่รักก็เกิดก a r m a ตัณหาถ้าเห็นเขาได้ดีเขามีตำแหน่งดีก็เกิดมีภาวาตัณหาอยากมีอยากเป็นเหมือนเขาอยากร่ำรวยเหมือนเขาถ้าเห็นเขาได้ดีมียศมีตำแหน่งมีลาบมีฐานะดี ก็อยากให้เรามีอย่างนั้นและไม่อยากให้ใครดีกว่าและไม่อยากให้เราเนี่ยต้องอยู่อย่างปราศจากลาบยดึดอันนี้ก็เป็นวิพวาตัตหามันก็เป็ น, นเมื่อมีตัณหามันก็มีอุปาทานหรือ ย, ยึดติดฝังติดว่ามันจะต้องเอาให้ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นยึดติดเชื่อ ตามที่ตัวได้เข้าใจหรือฟังจิตหฟังใจทั้ ง, งั้งที่มันผิดทั้งๆ ท, ท, ที่มันก่อให้เกิดความทุกข์ก็อย่างยิ่ติดอันนี้ก็ทําให้เขาเรียกว่ามีภาวะที่เป็นอยู่อย่างนั้นหรือ ว, ว่าเป็นภพเกิดมาทําให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็เมื่อเกิดมันก็มีการเปลี่ยนไปแก่ไป เจ็บตายและพร้อมกันนั้นในระหว่างนั้นก็มีแต่ความทุกข์โศกทุกข์โศกเศร้าเสียใจพิ ร, รำพันยิ่งมีอุปาทานมากเท่าไรก็ทุกมากโศกมากอันนี้มันก็เป็นปฏิจจสมประบาทคือเกิดเป็นลูกโซ่รูต่เจ้าได้ตากไว้อย่างชัดเจนเพื่ออธิบายให้เห็นว่าที่เรา เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยศึกษาดูให้ดีถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยก็ดับมันได้ไม่ว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าเรื่องจิเลตตัญหามันก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้ฉะนั้นการ ที่เรามีสัมมาวิมุตสัมมาสติอยู่ฝึกตัวเองเสมอและโดยเฉพาะหลักสัมมาสติในนอกจากไม่ให้ปรุมแต่งดังกล่าวแล้วมีบทสรุปของสติปัฏฐานคือทั้งให้พิจารณากายพิจารณาความรู้สึกพิจารณาจิต พิจารณาธรรมะคือกุศลและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตให้เห็นสภาวะความเป็นจริงว่าไม่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยไม่ควรยึดมัน่นไม่ควรฝังใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดกาลนิรล่ะนะาจะากินจิโลกแกอุปาทิยติ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรแม้แต่นิดเดียวว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นกายจิตมันเป็นขันธ์ห้ามันเป็นกายเวทนาจิตธรรมแล้วแต่เราจะแยกออกไปแล้วมันก็เป็นอนิจจังทุกขังนาตาคือมันเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเสื่อมก็ได้มันอาจจะเรินก็ได้ เราไม่สามารถที่จะบังคับให้เป็นไปาตามที่เราต้องการที่เราปรารถนาเรียกเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปาตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือสิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นหรือจะทำให้สิ่งนั้นดับเมื่อเรามีสัมมาวัยมะสัมมาสติ เราก็สามารถที่จะทำให้กายและจิตของเรานี้ได้รับการพักผ่อนหรือให้มีปิติมีความสุขได้เมื่อเห็นว่าอันนี้เป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเมื่อดับความทุกข์ได้มันก็เกิดความสุขถึงแม้ว่าเราดับไม่ได้ตลอดกาล เกิดเพียงแต่ข่มกิเลสมัข่มหรือความรักความชังเจะได้ความม่วงความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยจะได้มันก็ทําให้เกิดความสุขขึ้นได้เกิดปิติอกอิ่มใจใจตัวเ น, นี้ยมันคงถ้าใครสามารถข่มกิเลสหรือข่มนิวรณ์ได้ตรงนั้นแหละขณะที่ข่มได้นั่นแหละเรียกว่า เป็นการสเสวยปีติสวยความสุขหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการลิ้มรสพระนิพพานว่าอ๋อสุขจริงเนอะขณะที่กิเลสไม่มารบกวนขณะที่ใจของเราใสใจของเราสะอาดาะไม่มีกิเลสมารบกวนเพราะใจเราเป็นอิสระจากกิเลสอ๋อมันสุขจริงหนอะเกิดขนลุกขนพอง ตัวเบาตัวโยกน้ำตาไหลเพียงแต่เราข่มไว้ยังมีความสุขแค่นี้แต่ถ้าเราจัดการตัดมันได้เป็นอิสระจากมันอย่างแท้จริงเป็นความสุขตลอดกาลก็คือตลอดการที่เราเต๋ออยู่เมื่อไม่มีเหตุปัจจัย ที่จกให้เกิดความทุกข์อีกมันก็เป็นความไม่ทุกข์นั่นเองฉะนั้นการปฏิบัติถ้าเราไม่มีสมาธิจนกระทั่งได้ปิติความสุขปัญญาที่เข้าใจจนว่าจะช่วยให้เราบรรลุมรรคผลนั้นนะมันเป็นปัญญาที่เห็นแก่ตัวเป็นปัญญาที่เข้าข้างตัวเองเป็นปัญญาที่ ร้อให้ตามกิเลส ข, ของตัวเองเป็นปัญญาที่ก่อให้เกิดกิเลสปัญหาก่อให้เกิดความอยากมีอยากเป็นอยากให้เขาสรรเสริญว่าเรานี่พูดเก่งเรานี่เป็นคนที่มีภาวะอย่างนั้นอย่างนี้เป็นท่ินายกยอ่อง่าเลื่อมใจอะไรทำนองนี้เพราะคนเรานั้นต่างจิตต่างใจ บางคนปฏิบัติด้วยตัวเองในธรรมะหรือเพียงแต่ได้คํ้ามาพุโทโธมาภาวนาก็มีความสุขใจแล้วแต่ขั้นจะมาอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญญาในหลักธรรมะต่างๆไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าบารมีไม่ได้สะสมหรือไม่ได้เรียนรู้มาก่อนไม่มีเหตุปัจจัย ไม่ได้สะสมมาเองก็ยากแต่เมื่อเขามีศรัทธาตัวศรัทธาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดพลังทำให้จิตมีสมาธิเมื่อเรามีศรัทธาก็มีความยอมรับมีความน้มรับก็ตั้งใจเอาจริงเอาจังฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตร่าวได้ว่า คนเรามีโอกาสที่จะบรรลุมรคผลหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ตัวมีอยู่บางคนมีศรัทธาแก่กล้าบางคนมีสมาธิแก่กล้าบางคนมีปัญญาแก่กล้า คนที่มีศรัทธาแก่กล้าอะไรที่เป็นเหตุทำให้เกิดศรัทธาก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งได้ปีติได้ความสุขและต่อไปก็จะขยับให้จัดการกับตัวกิเลส ท, ที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดปัญหาได้ในการต่อไปเพราะเมื่อได้สวยปีติสวยความสุขเพียงแต่คมกิเลสได้ ปัญหาแก้ปัญหาได้ด้วยพลังศรัทธาอย่างสุขแค่นี้ถ้าตัดกิเลสได้มันจะสุกแค่ไหนสำหรับคนที่ใจมีสมาธิเดือสายมีบารมีมาก่อนเคยปฏิบัติมาเคยเกิดเป็นพรมแต่ว่าไม่มีใครสอนให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเอาสมาธิเป็นตัวนำเป็นกุญแจ เปิดให้เข้าใจเมื่อมีสมาธิแน่นอนก็เกิดตีติเกิดความสุขตัดนิวนได้ขมนิวนได้มีความสุขแค่นี้ถ้ามีปัญญาหรือเข้าใจใจรักเข้าใจสัจธรรมตามความเป็นจริงมันจะสุขแค่ไหนมันก็สามารถที่จะ บรรลุมักผลได้เช่นเดียวกันส่วนท่านที่มีปัญญาใช้เหตุผลพิจรารณาโอ้ออริยองศ์สาวกทั้งหลายอที่ท่านได้เป็นพระอริยะเป็นอรหันต์นั่นแหะท่านปฏิบัติมักมีองค์แปดให้ครบเนี่ยทาอย่างไรที่มักมีองค์แปดที่จะเป็นมักขสมังคีที่จะทําให้มักมันเกิดขึ้น คนนั้นน่ะเขาเรียนไม่เก่งอะไรเขาเป็นคนที่ชอบอยู่นิ่งๆชอบควบคุมจิตเขาก็สำเร็จได้คนคนนั้นเขามีแต่ศรัทธาเขาก็ยังทำได้ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจทำไมเนอะเราจะทำไม่ได้เราจะต้องเคียนพยายามคำ ว, ว่าเพียนพยายามนี่แหละก็คือเริ่มองค์ของสมาธิแล้ว พยายามจัดการกับปัญหาที่เรามีอยู่อะไรเป็นกิเลสเป็นปัญหาอะไรเป็นความไม่สมบายหรือเป็นทุกข์หรืออะไรเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ทำให้เกิดความทุกข์พยายามจัดการมันสร้างเหตุปัจจัยที่ดีทำแบบต่อเนื่องกละใช้สติหมายก็ว่ารู้ว่าอะไรเป็นตัวการอะไรเป็นปัญหาระวังไม่ให้มันกําเริบ มีความไม่ประมาณเมื่อควบคุมมันก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาหรือกระทจงโรคภัยไ ข, ไขเ้เจ็บได้แล้วก็สามารถได้รับปีติได้รับความสุขเมื่อจัดการโดยกระบวนการคือมีสมาวยมะสมาติก็สามารถที่จะทำจิตให้ว่างทำจิต ใ, ให้มีปีติมีความสุข ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าวิวิจักามะวิวิจกักเจเลหิกสัตมังฌานสวิตตกังสวิจารัางปีติสุ ข, ขังปะสัมปชาวิหรารติก็คือการจัดการกับกิเลสือเรื่องนิวรมีการมาฉันทาปยาบาทตินมิทะุทธะวิจิปิชาหรือจัด ก, การในเรื่องความรับความชัง ความง่วงความเติมความสุ้งซ่างความลังเลสงสัยเสียได้หรือจัดการกับอกุศลฤทธิ์ที่จะมาทําให้จิตใจวุ่นวายเสียดาใจก็จะมีความสุขมีปิติใจก็จะแน่วแน่มั่นคงใจก็นิ่งเมื่อใจนิ่งมั่นคงมันก็ใส เมื่อได้รับการฝึกโดยกระบวนการมีความพยายามมีความระมัดระวังไม่ประมาทสร้างเหตุปัจจัยที่ดีใช้สติคือรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาระวังไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นใจก็เรียมสมาฮิตโต้คือมีสมาธิใจนั่นมาก็นิ่งใจมาก็ มั่นคงเมื่อใจนิ่งใจมั่นคงใจนั้นก็เป็นปริสุดโทคือสเพราะสก็จะเห็ น, หนว่าโอ้ไอั น, นี้เองเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดปัญหาเกิดความขุนโม่ก็เป็นกรรมนิโยก็คืออะไรที่มันใช้ได้เทเอาที่มันใส่ไปใช้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ขุนมม่เป็นกิเลสหรือเป็นตะกอนก็ทิ้งมันไป ฉะนั้นกระบวนการที่ฝุกอย่างนี้ช่วยให้เราได้สเสวยผลตามที่พุทธเจ้าได้กัดไว้คือเรียกว่าเป็นมัคคสังฆีพอใจใสใจนิ่งเจตานที่เราเห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอันนี้คือเกิดสมาธิสิสมาสังกปปะที่เรียกว่าเป็นขั้น โลกุตระก็ได้ถ้าว่าเราสามารถจัดการมันได้ด้วยปัญญาของเราจัดการกับกิเลสจัดการกับปัญหาแต่ถ้าเราจัดการไม่ได้เราก็สามารถที่จะควบคุมตัวเราเองให้มีความสุขไม่ให้มีปัญหาไม่มีความทุกข์ได้ตามความสามารถอาจจะเป็นแค่โสดาบันก็คือว่า เข้าใจว่าตัวเราที่แท้จริงนะมันไม่มีมันมีแต่ขันห้าที่เป็นอนิจจทุกังนาตาแต่ก่อนนี่เคยยึดมัน่นถือมั่นในตัวเองมากถือว่าตัวเองเนี่ยแน่อย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองเนี่ยไม่มีใครทัดเทียมเลยว่ามีอะไรก็ฝังจิตฝังใจแต่บัดนี้พอมารู้ สภาวะความเป็นจริงที่ว่าตัวเราของเราที่แท้จริงมันเป็นขันห้าที่เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเท่านั้นอก็พอที่จะปรุงจะปล่อยวางพร้อมกันนั้นไม่มีความสงสัยแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องมรรคมีองค์แปดเอเยศสี่นะั้นมันจริงแท้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงอ่าเพียงแต่เราได้กดกรองทดสอบมา พยายามให้มัดรวมกันเป็นพลังจะเห็นทุกเห็นว่าทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมีปัญหาและปัญหานี้ถ้าเราทําจริงมันก็จัดการได้ถ้าเราปฏิบัติจริงจังมันก็จัดการได้และมีวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อจัดการหรือมีทางดังนั้น อริยสัตว์สี่คือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคก็เกิดขึ้นเง้อพร้อมกันนั้นความลังเล ส, สงสัยในเรื่องธรรมะก็ไม่มีอีกแล้วแล้วก็จะจัดการกับกิเลสตัวต่อไปก็คือว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วที่จะต้องไป ถือไปปฏิบัติทางนี้ทางเดียวคือทางมักมีองแปดเท่านั้นไม่มีการบำเพ็ญพรตหรือสีถือศีนถือวัดปฏิบัติอย่างไรไม่มีอีกแล้วมีทางนี้ทางเดียวอันนี้เรียวว่กากังจัดสีรับประจักษประมาทไม่ไปรูปไปคำหรือว่าไปทดลองแนวอื่นใดอีกแล้วแนวนี้แนวเดียวคือแนวมักมีองแปดนี่เอง คีอประกอบด้วยความเห็นชอบความดํางดีชอบคำพูดชอบการกระทาชอบอาชีพที่ถูกต้องที่ชอบทำความพยายามชอบมีสติในทางที่ชอบแล้วมีสมาธิในทางที่ชอบอันนี้เป็นทางเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบมากรัดมาสอนไม่มีทางอื่นใดอันนี้เรียกว่าเป็นโสดาบันโสดาบัน ยังมีความรักความชังอยู่ในตัวแต่ความรักความชังของพระโสดาบันเนี้ยท่านเรียกว่ามีการมรารคะปฏิฆะไม่มีโทษรู้ว่ามีก็ไม่ให้เป็นอันตรายแก่คนอื่นแก่ตัวเองความรักก็คืออย่างนังวิสาขาเป็นพระโสดาบันมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็คือมีผู้ครอง แต่โสดาบันก็จะไม่ทรยศต่อคู่ครองของตัวยินดีพอใจในคู่ครองของตัวเองและซื่อสัตย์จริตต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้เรียกว่ามีความรักจริงแต่ไม่หลงรักไม่ทําให้เกิดความหลงไม่มืดบอดเพราะความรักมีปฏิฆะถูกกระทบกระทั่งรู้สึกว่าเลือดมันขึ้นหน้า แต่ก็พอรู้สึกตัวก็ดับได้ไม่ไปดา่าไม่ไปใช้กายไปไปทุจร้ายใครและสูงขึ้นมาพระสะกทาคาพระสะกทาคามีก็ยังมีกรรมราคาปฏิฆะแต่ใช้เวลาในการจัดการมันเร็วกว่าพระโสดาบันอีกดูเถอะแม้แต่เป็นภริยะก็ยังมีความรัก ก็ยังมีความชังแต่มันไม่มีอันตรายเพราะรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับมันทันทีส่วนพระอนาคา ม, มีไม่มีความรักความชังแล้วการมราคะไม่มีปฏิฆะความชังความเกลียดแค้นปยาบาิความเกลียดไม่มีแล้วจัดการจัดการได้เด็ดขาดแต่พระอนาคา ม, มี ยังมีรูปราคะก็คือยินดีในความสุขของรูปฌานอารูปราคะยินดีในความสุขของอรูปฌานยังมีมานะถือว่าเรานี่เป็นอนัคคามีเรานี่ยังไม่เป็นอรหันนะมีอุทจจะก็คือยังมีความกังวลเมื่อไหรเนอะจะได้เป็นพระอารหันต์แล้วก็ยังมีอวิชาเพราะยังไม่รู้ก็คือยังติดอยู่ในความสุข ที่เกิดจากการเข้ารูปฌานอะรูปฌานอะยากจะสวยความสุขตายไปแล้วก็เป็นพรหมแต่แล้วอันนั้นมันก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบใดถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังไม่สุขที่แท้จริงยังไม่เป็นบรมสุขต่อเมื่อเป็นพระอรหรันทานั้น ดังที่พระบาลีว่าอนิจจาวัตะสังขาราอุปาทวยฏธรรมิโนอุปจิตตวนิรุชันติเตสังวุปสโมสุขโขสังขารหลายนี่ไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปการที่สังขารเนี้ยดับไปอย่างแท้จริงอันนี้ เรียกว่าเป็นความสงบเป็นความสุขที่เตสังวูปะสะโมสุขโขหมายค็ว่าดับและไม่เกิดอีกคือไม่ต้องมามีเบนจะขันพระตราบใดถ้ามีเบนจะขันขันใดขันหนึ่งก็ยังมีความทุกข์นั่นเองอชาติปิตุขาชาราปิทุขาเกิดแล้วมันก็มีความทุกข์ฉะนั้น พระอรหันต์เท่านั้นที่จะมีความสุขหรือเป็นบรมสุขที่แท้จริงพระอนาคามีก็ต้องปฏิบัติเพื่อจัดการกับรูปราคาก็คือไม่ยินดีในความสุขของรูปฌานเห็นว่าความสุขมันก็เป็นอนจังทุกขังนัตตาอารูปฌานก็เช่นเดียวกันเป็นอนิจจงทุกขังนัตตาเมื่อจัดการมันได้มันก็ไม่มีมานะถือตัวไม่มีความฟุ้งซ่าน แล้วก็เรียกว่าจัดการอวิชชาจะได้ว่าอ๋อที่เราอยากมีความสุขติดในความสุขนั้นเพราะเรายังไม่เข้าใจเพราะมีอวิชชาเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วอันนั้นก็เป็นปัญหาอยู่นั่นเองอ่าปัญหาที่ทำให้เราอยากมีความสุข ตนบัดนี้เรารู้แล้วล่ะอันนั้นทําให้เราติดทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกจัดการมันได้อย่างเด็ดขาดเพราะกัดจัดการกับอวิชชาียได้ก็ถือว่าอันนั้นแหละเข้าสู่นิพพานหรือเป็นอรหันต์ซึ่งเป็นบรมสุขฉะนั้นในการปฏิบัติเราจะเอาแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราหรือเราต้องพิจารณาดูความสามารถของเราพระพุทธเจ้าตรัสเตือนเสมอว่าต้องรู้จับประมาณอย่างหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ให้พระเรียสงที่รับฟังนั้น นำมาถ่ายทอดว่านิพันตีประมังตโปตีติขานิพพานังปรนองประมังวตัตถุทาการที่จะเข้าสู่นิพพานนั้นนะ่ะจะต้องใช้ความอดทนเพราะนิพพานเนี่ยเป็นบร ม, มสุขเป็นความสุขการที่จะเข้าถึงบร ม, มสุขนะต้องมีความอดทนก็ต้องฝึกโ ด, ดยกระบวนการหนึ่งที่กล่าวมาคือต้องใช้ สัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิสถ้ามีองค์ประกอบที่เรียกว่าสมาธิคือสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็แน่นอนด้วยเกินคนที่มีสมาธิหรือองค์ทรงสมาธิเรียกวเป็นคนที่มีความอดทนและสามารถที่จะบรรลุนิพพานได้อย่างแท้จริงการที่ จะบรรลุนิพพานได้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าขันติประมังตะโปติติขานิพพานังปรองพติอนุวาวะนาหิปปปิโตปา ร, รูปคาติสมโนโหติป ร, รังเฮทยันโตถ้าอยากจะเป็นผู้ที่บรรลุแล้วก็ต้องเว้นจากความชั่วจะต้องเป็นคนที่สงบ สมุบกายสงบวาจาสงบใจก็คือระวังสังวร อ, อันนี้ก็เป็นองค์ของสมาวยมะนนั่นเองสมาสตินั่นเองแล้วกลัดต่อไปว่าสัพพปาปะสะกระาาการนังไม่ทําบาปโดยประการทั้งปวงคือทําบาปทางกายทางวาจาไม่พูดไม่ทําบาปีต่อไปกุศลสุปัสมปทาเมื่อไม่ทําบา ก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเป็นสุจริตสจิตตปริโยทะปนังอันนี้ก็ชำระล้างจิตใจของอได้การภาวนาเนี่ยการภาวนานี้ดังที่ได้แนะบว่าเราจะภาวนาแบบไหนก็ได้แต่อย่าลืมหลัง หลักในการภาวนานั้นเอาธรรมจกกักรกบวัตนะสูตรเนี่ยเป็นตัวตั้งหรือเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ได้พบเห็นแล้วว่าความทุกข์มันมีจริงเหตุมีนี้ก็เพราะมันมีเหตุมีเหตุก็ต้องดับได้และมีวิธีที่จะดับได้และการที่จะจัดการากับความทุกข์นั้น ก็ต้องอาศัยมัชมีองแปดนี้เองให้เป็นมัชกสมังมขีคือให้มัชเนี่ยรวมกันเป็นพลังอคือทุกในควรกําหนดรู้ถ้ากําหนดรู้ได้ก็รู้ว่าอะไรเป็นเหตุก็คือสมุทยัยสมุทัยนี่ก็คือควรจัดการควรประหารควรระควรกําจัดเมื่อกําจัด คือเราจัดการเหตุมันก็ดับมันได้การดับได้เหลวนิโรดนิโรดนี่ยก็คื อ, ค อ, คอต้องทําความความทําความก้าวใจให้จแจ่มแจ้งการดับความทุกข์ได้เนี่ยจะต้องดับด้วยการปฏิบัติตามมรรคมีองแปดหรือมรรคมีองแปดเนี่ยควรจะพัฒนาควรจะทําให้เกิดควรที่ทําให้เจริญควรให้มีในตัวเราให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เรีวาภาวนาภาวนาหมายถึงทําให้เพิ่มขึ้นเสริมบุญเสริมบารมีเพิ่มบุญเพิ่มบารมีขึ้นอันนี้แหละที่เราใช้กันฉะนั้นเมื่อใช้ธรรมจากเป็นหลักความจริงทุกพระองค์ก็แสดงไว้แล้วหรือใจร่า ก, ก็แสดงไว้เอาทุกมาเป็นตัวเองแต่ถึงแม้พระองค์แสดงแต่เบญจวคีมีแต่ท่านโกนธัญญะเท่นาทนั้นได้เห็นใจรัก อีก4ท่านไปติดในความยึดถือแบบเดิมที่ว่าอัตตานะั้นะมีสภาวะเป็นสามคือเป็นสัตว์ก็คือสิ่งที่เป็นอมตะมีอยู่จริงแท้จิตคือเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้อันนั้นท้ามันมีแต่ความสุขความเพลิดเพลินพพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ตัวเรามีแต่ความทุกข์ก็ยอมรับไม่ได้พะได้รับการสอนและฝังจิตฝังใจมานานว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้ถาวร เป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้และมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ดันั้นพระพุทธเจ้าก็ได้จัดอธรรมเทศนากันที่สองคืออนัตตลกนัสสุขี่แจงให้เห็นว่าที่ว่าสุขหรือที่เป็นอัตตานะั้นน่ะมันมีที่ไหนที่แจ้จริงที่ท่านเข้าใจเป็นอัตตาเป็นตัวแต่ตัวตนนั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หากรูปนี่เป็นอัตตาเร็ววสายรูปนี่คงไม่มีการเจ็บป่วยรูปนี่คงเป็นไปตามที่เราปรารถนาแต่แล้วรูปก็มีการเจ็บป่วยมีแต่ความทุกข์ไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาฉะนั้นมันจะเป็นอันมันจะเป็นอัตตาเดนและถามย้ำว่าเป็นยังไงพวกเธอเห็นเป็นยังไงถ้ารูปนี้ยังเจ็บป่วย ยังเปลี่ยนแปลงท่านทั้งหลายยังแก่อยู่เนี่ยยังเจ็บยังทุกข์กเวทนาตอบพร้อมกันว่ารูปเนี่ยเป็นอนัตตาเมื่อรูปเป็นรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาคือสิ่งดใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของของเราแลวพระพุทธเจ้าก็สัมทับไว้ว่า รูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณไม่ว่าที่ล่วงแล้วมาเป็นอยู่หรือล่วงพ้นไปแล้วไม่ว่าอยู่ใกล้ยอยู่ไกลไมรูปตัวเราหรือรูปคนอื่นไม่ว่ารูปมโหฬารรูปที่ใหญ่รูปเล็กรูปละเอียดรู ป, ประณีตรูปหยาบอะไรก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังนัตตา ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราและในที่สุดเดนเจววคีก็เห็นความจริงเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมัน่นถือมั่นอีกแล้วก็ถือว่าจบในการทำความเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเรียว่าจัดการกับอาสวะกิเลสหรือความยึดมัน่นถือมัน่นทั้งหมด เป็นพระอรหันต์กันทุกรูป เ, เมื่อพระพุทธเจ้าได้สาวกแล้วพระองค์ก็ได้เทศได้สอนก็ได้อาศัยหลักนี้เอาธรรมาจากเป็นหลักยืนแต่บางท่านก็ยังไปติดอยู่อย่างเช่นอ่าท่านชดินทั้งสามไปติดในเรื่องไฟบูชาหดวงไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐบูชาไฟจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่พุทธเจ้าก็จะแสดงให้เห็นว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี้ยมันร้อนมันเผาผ่านที่ท่านคิดปฏิทุสร้ายเราให้งูหรือพญานาคให้มาทำอันตรายให้เราถึงแก่ชีวิตนั่นอันนั้นก็เพราะไฟคือโทสะหรือไฟคือโมหะคือหลงไม่เข้าใจไฟคือราค ข้รโละคิดว่าตัวทาอย่างนี้จะมีราบสกระมีคนเคารพนับถืออันนั้นยังเป็นปัญหาฉะนั้นอาทิตย์ปริยายสูตรในแสดงง่้เห็นว่าราคะตันหาเนี่ยมันร้อ น, ร, อนร้อนเท่ากับความร้อนของดวงอาทิตย์ฉะนั้นเอาอาทิตยปริยาสสูตรเนี่ยมาเสริมอธิบายเรื่องตันหาเรื่องกามตันหาภาวะตันหาวิโพตันหให้มันชัดเจนขึ้น วมันร้อนนะตัณหาร้อนเหมือนไฟแล้วเอาธรรมนิยามมาอธิบายให้เข้าใจเรื่องใจรักเอว่าเมื่อใดถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าเบนจะขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนตามื่อนั้นก็จะเข้าใจสภาวะความเป็นจริงก็คือยอมเมื่อเห็นความเป็นจริงเห็นใจแล้ว ก, ก, ก็จิตใจก็ จะไม่ยึดมัน่นก็คลายปล่อยวางก็มีแต่ความสุขก็สามารถบรรลุถึงเป้าหมายหรือไปถึงฝั่งขึ้นฝั่งได้พ้นข้ามพ้นจากโอกะจากม่วงกิเลส ข, ขึ้นฝั่งก็คือประสบแต่ความสุขรกลว่วเป็นนิพพานในการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น นอกจากที่จะเอาธรรมจักเป็นหลักเอาอนัตตลกณสูตรมาอธิบายใส ร, รักเอาธรรมนิยามมาธรรมนิยามมาเสริมใจ ร, รักอีกให้เข้าใจอย่างชัดเจนเอาอาทิเตปริยาสูตรมาอธิบายให้เข้าใจเรื่องตัณหาแล้วเอาสติปัฏฐานเนี่ยมาเป็นหลักในการปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติธรรม ทแท้จริงนะไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนปฏิบัติได้ทั้งนั้นก็คืออยู่ด้วยความมีสตินั่นเองให้เห็นทั้งตัวเราและเพื่อนมนุษย์ว่ามันเป็นขันห้าที่เป็นอนิจจังกขงาาุขังหน้าตาขันห้า น, นี้มันจะมีทุกข์ก็เพราะเราไปยึดมัน่นถือมัน่นด้วยอำนาจของกิเลสเราตกเป็นทาตของกิเลสมันก็เป็นทุกข์ แต่ถ้าเราเป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมันก็เป็นสุขก็ ค, คือไม่ทุกข์นั่นเองอันนี้เรียกเป็นหลักที่พุทธเจ้าได้ดตัดการที่เราใช้วิธีการหรือว่าสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ก็คือเอาคําสอนของพุทธเจ้าอไม่ว่าจะเป็นธรรมจักร อนัตตะกนนสูตรอาริตปริยายสูตรสติปทานสูตรธรรมนิยามอามาท่องอามาสวดเอามาภาวนาถ้าสามารถทําได้ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตลอดกาลหรือมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานอกจากที่เราได้บุญจากการฟังธรรมถ้าเราใช้ พสะสูตรเรื่องนี้มาสวดมนต์ก็เหมือนกับเราเนี่ยเป็นตัวแทนแสดงธรรมแก่สัมภเวสีทั้งหลายที่ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดให้มีความเข้าใจธรรมะที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้หรือได้เข้าใจได้พบได้เห็นพุทธเจ้าก็คือธรรมะนี่เป็นตัวแทนพุทธเจ้าถ้าเรามาสวด ออกเสียงนอกจากที่เราจะได้เป็นผู้แสดงธรรมหรือมีธรรมะเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าโปรแกรมจิตมันเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์ถ้าเราตั้งโปรแกรมอะไรแล้วมันก็เป็นไปตามโปรแกรมแต่การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจก็นึกว่า สวดก็สักแต่ว่าสวดมันไม่เห็นมีอะไรหรือบางทีก็สวดตอนนี้ว่ามันจะเกิดความขลังอย่างเดียวความจริงนั้นน่ะถ้าเราเข้าใจว่าบทสวดมนนะั่นก็คือคําสอนพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนพระุทธเจ้าเราก็จะมีความไม่ประมาทตั้งใจสวดด้วยความเคารพด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อความเคารพด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ มันก็จะเป็นผลทำให้เกิดปีติเกิดความสุขเกิดศรัทธาเกิดจิตของเรามีสมาธิมีความมั่นคงมีปัญญามีความเข้าใจทุกสิ่งตามความเป็นจริงฉะนั้นในเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าเราเข้าใจไม่ว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่ เวลาที่เราใช้ก็เหมือนกับเรารรคอ์ดบันทึกเอาไว้ในตัวเราในสิ่งที่เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลและความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็จะติดตามตัวเราไปดังที่พระุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตะอสังคิลิเทสุขติปาติกังขาจิตเีไม่เศร้หมองคือจิตที่มีการอบรมภาวนา บำเพ็ญภาวนาอยู่เรื่อยๆก็จะมีแต่ความโปร่งใสแล้วก็จะไปเกิดหรือว่าในปัจจุบันทีกคนเรามันตายมันเกิดทุกข์กันนะจิตเรียก ว, ว่าเราไปเกิดในสวรรค์หรือในภพภูมิที่ดีเริ่มตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปจนถึงความเป็นพระอริยะแต่ตรงกันข้ามถ้าจิตของเรามันขุนมัวอ่านะก็เรียวว่าจิตของเรานั้นนะ่ะไปทุกขติคือเกิด ในปัจจุบันถึงแม่ไม่ตายท่านั้นคนโบราณข่านึสอนว่ามนุษย์เราเนี่ยมีหลายประเภทมนุษยเนริยโกคือตัวเป็นมนุษย์ายเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษยเปโตตัวเป็นมนุษย์ายเป็นเปรตมนุษย์ติรชานโนตัวเป็นมนุษย์ายเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มนุโศตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์มนุษยเทโวตัวเป็น มนุษย์ใจเป็นเทพฉะนั้นเราถึงแม้ว่ามีชีวิตอยู่เรามีการตายการเกิดเสมอบางครั้งเราเนี่เหมือนกับยักษ์มารบางครั้งเหมือนกับสัตว์นรกบางครั้งเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานบางครั้งเหมือนกับเปรตบางครั้งเหมือนกับเทพบางครั้งเหมือนกับพระอริยะฉะนั้นเราจะเลือกเอาชีวิตแบบไหนถ้าเราเข้าใจสภาวาความเป็นจริง แน่นอนแล้วเราก็ไม่อยากจะเป็นเปรตเราไม่อยากจะเป็นสัตว์นรกเราไม่อยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเราอยากจะเป็นอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยะเท่านั้นฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าเราจะเป็นอะไรดีมีแต่การภาวนาเท่านั้นนะทําสมาธิเนี่ยถึงประกอบด้วยสมาวิมมะสมาสติสมา ส, สมาธิ อย่าไปกังวลเลยว่าทําสมาธิจะทําให้ติดทําสมาธิจะทําให้ไม่มีโอกาสพิจรารณาทําสมาธิแล้วจะไม่อสามารถที่จะให้เกิดใจ ร, รับเห็นใจ ร, รักและจะทําให้เป็นบ้าในธํานองไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นสมาธิที่พุทธเจ้าจะสอนคือ ต้องประกอบด้วยสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมมาธิสมาธิในองค์มรรคก็มีแต่จะพบแต่ความเจริญสามารถดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงมีความสุขอย่างแท้จริงตามความสามารถของเราสมาธิที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเรียกเป็นสัมมาสมาธิแต่ถ้าสมาธิแบบที่อยากจะเห็นนั้นนันอยากนี้อยาก เพื่อความยึดเพื่อความติดแล้วก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิอ่าต้องระลึกให้ดีว่าที่พระพุทธเจ้าย้ำเตือนเสมอในสติปัฏฐานว่าน่าจะกินจิโลเกวปาจีติคือไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรนะี้แต่น้อยเดียวแม้แต่เรื่องความสุขทั้งก็เตือนถ้าเราเตือนใจเสมอเอาพระพุทธเจ้ามาสอนพระพุทธเจ้าอยู่กับเรามันจะติดได้อย่างไรถ้าเราติดก็หมายถึงว่าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลย ถ้าเราเชื่อพุทธเจ้าเราก็ไม่ติดก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพระสารีบุตรซึ่งถือว่าเป็นยอดของผู้มีปัญญาการที่พระสารีบุตรจะเป็นพระอาหารหันต์นั้นนะก็ต้องเข้าถึงฌานแปดถ้า พ, พาหิยะที่ว่าตัดสู้หรือบรรลุมรคนเร็วก็เป็นพรหมบำเพ็ญได้ฌานมาแล้วแม้แต่ท่านจุลปันทบ เสี่ยวผ้ามารูปมาคลมก็เคยปฏิบัติจนกระทั่งเป็นพรหมมาแล้วฉะนั้นไม่มีใครที่ว่าจะบรรลุมรรคผลโดยที่ว่าไม่มีสมาธิหรือไม่ปฏิบัติสมาธิมาก่อนฉะนั้นจะขอให้เข้าใจเถิดว่าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นเป็นทางเลือกถ้าเรามีศรัทธาแก่กล้าก็ใช้หลักศรัทธาหลัก เรียกว่าภระห้าอินทีห้าถ้าเรามีาสมาธิแก่กล้าก็ใช้หลักสติปัฏฐานหลัอิธิบาทหลักพุชงถ้าเรามีปัญญาแก่กล้าก็ใช้หลักมักมีองแปดและอริยสัจสีถ้าปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าจะไม่หลงทางก็จะช่วยให้บรรลุมรรคผลประตูพระนิพพานมีให้เราเลือก ถ้าเรามีศรัทธาแก่กล้าก็ใช้ประตูคือศรัทธาเป็นตัวนำก็แก่ได้แก่พระห้าอิร์สี่ห้าถอดสลักให้ได้ทุกสลักถอดกรอนให้ได้สม้หมดก็หมายว่าชํานาญทั้งศัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีสมาธิกแก่กล้าก็ปฏิบัติตั้งหลักสติปฐานคือกายานุปัฏฐนาเวทนาปัฏฐนา จิตตาปรปัสนาธรรมานุปัสนาและอิทิบาส4คือชั้นทะาวิยะจิตตะวิมังสาหรือใช้หลักโพชชงเจ็ดคือมีสติมีทมวิจัยวิยะมีปิติมีปัจสทิมีสมาธิมีเบคขาถ้ามีปัญญาแก่กล้าก็คือใช้หลักอริยสัจส์่คือทุกสมุทัยนิโรธมัส หรือร ก, กอารมัตยองแปลสัมมาทิชชิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวิมารสัมมาสติสัมมาสมาธิจนชำนาญในองค์ธรรมปฏิบัติได้อย่างแท้จริงก็เรียกว่าเปิดประตูเข้าสู่พัติมาพนิพานได้ทุกท่านทุกคนที่แสดงมาพอสมควรขอให้ธรรมะได้ปกป้องคุ้มครองท่านให้มีความสุขธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข